พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตั้งใจว่าองั้นแหะตั้งใจจ่ออยู่งั้นเหรว่าอยู่งั้นแหละไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยคิดถึงคําเดียวนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็รู้สึกตัวไปพร้อมๆกันพุทโธ พุทโธเราประคองพุทโธเราประคองความจิตของตัวเองนะเอาจนมันไม่เผลอให้มันรู้ทุกขณะพุทโธพุทโธพุทธโธพุทโธพุทธจิตที่มันเคยดื้อมันก็จะเริ่มหายดื้อจิตที่มันเคยดินมันก็จะเริ่มหายดินมันจะเริ่มหยุด ิมันจะเคยทุกข์เดือดดาลก็จะเริ่มมีความสุขมันเคยเร่าร้อนกระวนกระวายเอาไม่อยู่มันก็จะเริ่มอยู่มันจะเริ่มหยุดมันจะเริ่มนิ่งมันจะเริ่มอิ่ม <Yeah. S 1> ตั้งใจทํานี่แหละบุญบุญอยู่เฉยเฉยบุญไม่เกิดดอกบุญเกิดจากการที่เราตั้งใจทานี่แหละ เราจะเก่ ง, ก เ, พ เ, ง, ง เ, กเพราะบุญที่เราตั้งใจทํานี่แหละเราจะดีก็เพราะบุญที่เราตั้งใจทํานี่แหละบุญนี้เป็นบุญถึงจิตถึงใจเลยนะเพราะเราเอาอะไรทําเอาใจทําเราดูเราดูผู้ผู้นึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธเราว่าอะไรเราว่าอะไรนึกอั่นใครเป็นผู้ว่า ใครเป็นผู้ว่าพุโทโธพุธโทโธใครเป็นผู้นึกพุโทโธพุธโทโธเราดูไปเลยเราเอาใจเป็นผู้ว่าว่าพุโทโธพุธโทโธเอาจิตเป็นผู้ว่าคิตกับใจนี่มันอันเดียวกันนั่นแหละคือผูร้รู้รู้เจตนาของตัวเองรู้เจตจำนงของตัวเองรู้เจตนาของตัวเองตั้งใจตั้งใจว่าเข้าให้ันสงบ จิตม <č> ัน<ป>เริ่มสงบจิตมันก็อยู่พอเวลามันอยู่มันอิ่มแล้วเราปล่อยให้ไปไหนมันก็ไม่ไปแหละเมื่อยู่ร่างกายของเราก็สงบนิ่งเยือกเยน็นจิตของเราก็สงบนิ่งเยือกเยน็นร่างกายของเราก็ไม่เดือดไม่ดานไม่เรา่าไม่ร้อนจิตของเราก็ไม่สับกระสับกระส่ายไม่สับสนวุ่นวายจิตเยือกเยน็นจิตมีพลังจิต อนุภาพมีอานุภาพบางคนถึงกับเหาะกับลอยได้มีปีติเหาะได้ลอยได้จิตมีพลังนั่นแหละคือจิตมีบุญเราทำงานที่ใจเอาใจเป็นผู้ทำงานนะพลังเกิดที่ใจบุญเกิดที่ใจบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจความดีเกิดขึ้นที่ใจ บุญก็คือความดีความดีก็คือบุญบุญแปลว่าความดีความดีแปลว่าบุญบุญปุญญะปุญญังภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าความดีกายกรรมเราทําด้วยกายก็กดีวาจีกรรมเราทําด้วยวาจาคำพูดก็ดีมนโนกรรมมนโนกรรมใจสงบ ไม่เดือดดานไม่เร่าร้อนพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ก็ดีนั่นน่ะกายเราดีวาจาเราดีแลใจเราดีนั่นหละบุญเกิดขึ้นคนมีบุญมีความสุขตรงกันข้ามคนมีบาบมีแต่ความทุกข์ทุกเพราะอะไรเพราะใจมันผิดหวัง มันไปหวังกิเลสหลอกให้มันหวังพอกิเลสหลอกฮะมันหวังมันคิดว่าจะสมหวังมันเชื่อกิเลสให้หวังหวังนู่นหวังนี้หวังจะเล่นกับสิ่งนู้นสิ่งนี้หวังจะสนุกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้หวังจะเพลินใจไปกับสิ่งนู่นสิ่งนี้มันหวังกับอะไรมันก็ผิดหวังกันนั่นแหละหวังกับอะไรผิดหวังกับอันนั้น หวังว่าเราจะอยู่สะดวกสบายอ า, อากาศก็ร้อนยุงก็เจาะท้องก็หิวปากก็อยากคิดสนุกเรื่องนั้นก็ไม่ได้ทำคิดสนุกเรื่องนี้ก็ไม่ได้สนองน่ะทุกข์ห ม, มันหลอกมันหลอกให้เราหวัง คิดว่าจะเล่นหวังว่าจะเล่นจะเล่นอันนั้นให้สนุกหวังว่าจะคิดจะปรุงเรื่องนี้ให้สนุกหวังว่าจะอิ่มอันนั้นให้สนุกรสชาติอันนี้จะอิ่มให้สนุกผิดหวังกิเล่มันหลอกให้เราหวังหวังนู้นหวังนี้หวังสนุกหลอกคิดว่าเราจะชุ่มเราจะเย็นเพราะฉะนั้นเราหวังอะไรไม่ได้นะเราหวังอะไรเนี่ย ผิดหวังทั้งนั้นทำยังไงเราถึงจะสมหวังท่านให้ดูความจริงความจริงมันเป็นยังไงท่านเคยให้อยู่กับนั่นร่างกายมันร้อนอากาศมันร้อนท่านเคยรู้ว่ามันร้อนมันพอดีพอดีสบายสบายท่านก็รู้ให้ว่าพอดีสบายสบายมันหนาวท่านก็ให้รู้ว่าพอดีมันหนาว มันคันมันคายถูกยุงเจาะถูกยุงกัดท่านให้รู้ว่ามันคันมันคายยุงมันเจาะมันกัดมันปวดมันแสบรู้ทันทุกครั้งทุกระยะเราไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเราไม่ผิดหวังเพราะนี่คือความเป็นความเป็นจริงที่เราต้องมีความเป็นจริงที่มันต้องมีที่มันต้องเป็นคนนั้นกับเป็นคนนี้ก็เป็นใครก็เป็นทั้งนั้นแหละ ใครปรารถนาสมหวังอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมผิดหวังด้วยกันทั้งนั้นหวังกับอะไรผิดหวังกับมันนั้นหวังกับอะไรผิดหวังกันนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหวังอะไรทั้งนั้นเราจะพยายามดูแต่อารมณ์ปัจจุบันพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธทมันอยู่แต่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องหวังอะไรทั้นนั้นพุโทโธพุทโธเผลผอๆมันไปหวังนู้นขึ้นมาอีกแล้ว พุทโธพุทโธเผลอเลอมันไปหวังอันนี้อีกแล้วหวังจะสนุกกับอันนั้นหวังจะสนุกกับอันนี้หวังจะเพลินใจกับอันนั้นหวังจะเพลินใจกับอันนี้ผิดหวังอีกหวังจะอย่างนั้นหวังจะอย่างนี้ผิดหวังอีกจิตอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันยังไงท่านให้รู้อยู่อย่างนั้นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ปัจจุบันยังไงท่านให้รู้กับอันนั้นให้อยู่กับอันนั้นนี่ไม่ผิดหวัง ไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่คนโง่คนฉลาดคนทุกคนยากคนลาบากคนมียศมีศักย์ใครก็ตามมีความทุกข์กับความผิดหวังทั้งนั้นทำไมเราถึงจะไม่ทุกข์กับความผิดหวังเราไม่ต้องหวังการที่เราหวังคือเราปล่อยใจให้ล่องลอยเลื่อยเปื่อยวาดอารมณ์ วาดมโนภาพวาดอารมณ์ว่านั้นจะดิบจะดียงั้นอันนี้จะดิบจะดีอย่างงี้ถ้าเราได้เล่นอย่างนั้นจะสนุกอย่างนั้นจะดิบจะดียางงั้นเล่นอย่างนี้จะสนุกอย่างนี้จะดิบจะดีอย่างงี้หิวนั้นได้สนองตามความอยากความหิวจะพอใจจะสดชื่นอย่างนั้นอย่างนี้มันหลอกหลอกเรา พุทธเจ้าท่านให้ดูในปัจจุบันมันนึกยังไงให้รู้มันคิดยังไงให้รู้มันหวังยังไงให้รู้พอเรารู้มันก็ดับพอเรารู้มันก็ดับพอเรารู้มันก็ดับให้ทันความรู้ของเราเองถ้าเราไม่ทันความรู้ของเรานั่นแหละโมหะมันครอบเราไม่รู้ความเราไม่รู้เรารู้ไม่ทันความรู้ของเราโมหะมันครอบพอมันครอบแล้วมันทําให้ให้ปัญญาเราเนมืดมิด มืดมิดปิดทวารมืดตึ๊บตืบ้อที่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาแรือ ว, ว่าความไม่รู้หรือว่าความมืดโมหะความมืดหรือโมหะความลุ่มหลงมันไม่สว่างเหมือนดวงไฟเนี่ยมันไม่เจียมจ้าเหมือนผู้รู้ที่เจิดจ้าอยู่พร้อมด้วยสติพร้อมด้วยสมปัญญั มันหลงมันมืดมันทึบอยู่ในนั้นเน่ยสับสนวุ่นวายคิดไปคิดมาไม่ได้หนะน้าไม่ได้หลังมาได้อะไรนั่นกิเลสมันพาเรานึกเราคิดแเราก็ทุกไปตามมันเราทูกไปกับมันบุญของเราจะเพิ่มต่อเมื่อจิตเราสงบบารมีของเราจะเพิ่มต่อเมื่อเราสงบจิตของเราจะมีพลังมีอานุภาพมีความสงบมีความสุขอืม เมื่อเราตั้งใจทําบุญมันเพิ่มความสุขมันก็จะเพิ่มบารมีมันก็จะเพิ่มอานุภาพมันก็จะเพิ่มความวุ่นวายสับสนในหัวใจมันก็จะเพิ่มมันเพิ่มยังไงเราก็ทำให้สงบจิตสงบนันะนะจิตมีความสุขนั่งนึกนั่งคิดเรื่อยเปื่อยกี้เหล่หมอนหลอกเราคิดเรื่อยเปื่อยคิดไปคิดมาก็ดีใจกับเพลินไปดีใจกับสิ่งนั้นคิดไปคิดมาเพลินไปทุกข์ใจกับสิ่งนี้ ทุกการ น, นั้นบ้างดีใจการ น, นี้บ้างดีใจการ น, นี้บ้างทุกใจการ น, นั้นบ้างทุกสองครั้งสามครั้งดีใจหนึ่งครั้งทุกห้าครั้งสิบครั้งดีใจหนึ่งครั้งเน่ยเสียขาดทุนแล้วะเนี่ยเริ่มขาดทุนไปเรื่อยนั่งปรุงออกนอกปเป็นอย่างนั้นอกิเลสภายในจิตมันดึงจิตของเราไปใช้ปรุงออกนอกเรื่องนอกเราจิตฉลาดถ้าจิตสงบ จิตจะว่างจิตจะสว่างจิตจะฉลาดจิตจะสะอาดจิตจะไม่สกปรกความโลภขึ้นมาเราก็รู้ทันความโกรธขึ้นมาเราก็รู้ทันถ้าจิตเราไม่ดีความโลภเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ทันความโกรธจนตาดำตาแดงเราก็ไม่รู้ทัน โกโรธจนค่าจนแกงกันเนี่ยเราก็รู้ไม่ทันมันไปทำเสร็จแล้วถึงมารู้สึกตัวอ้าวต้องเป็นเราเร็จแล้วทำไมเราต้องเป็นโทษเชลแล้วเราต้องเป็นนักโทษเ็จแล้วน่มาคิดได้ตามหลังมาคิดได้ตอนหลังแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดนี่ผลอันิสงส์ไปจากการตั้งใจภาวนาทั้งนั้นแหะไม่ตั้งใจภาวนาฉลาดก็ไม่ฉลาดมืดก็มืดทึบทื โง่ก็โง่ดักดานบารมีก็น้อยบุญก็น้อยเพิ่มอย่างเดียวนะ่ะได้ทั้งหมดความสุขก็เพิ่มบุญก็เพิ่มบารมีก็เพิ่มความสว่างของจิตก็เพิ่มความขยันก็เพิ่มความฉลาดก็เพิ่มความดีความดีความเป็นยศเป็นผู้มียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีภายในจิตของเราก็เพิ่มเพิ่มไปหมด เราเพิ <necessary. S 2> ่มส like ิ่งเดียวนะอย่างอื่นเพิ่มไปหมดเราอยากดีไหมเราก็อยากดีเราอยากฉลาดไหมเราก็อยากฉลาดเราอยากเก่งไหมเราก็อยากเก่งเราจะต้องทำใจภาวนาเนี่แหละให้ใจสงบมือใจเราสงบแล้วใจเรามันคมเอาไปนึกเรื่องอะไรก็ทะลุไปเลยเรื่องนึกเรื่องนั่งก็ทะลุนึกเรื่องนี้ก็ทะลุนึกเรื่องนั่งก็ทะลุเป็นช่องลู่ไปเลยเป็นช่องเป็นทาง มองอนุนเป็นเป็นตุเป็นตะเป็นช่องเป็นทางทะลุกปร่งไปหมดเป็นกรนกลายเป็นคนฉลาดกลายเป็นนักปราดเป็นคนเปลืองปราดนะเป็นคนฉลาดเป็นคนหลักแหลมนะเป็นผู้เริ่มเป็นผู้มียศมีศักดิ์มีเกียรติความสุขมันก็ตามมาความสุขมันเกิดขึ้นตามมากับความสงบความสงบทำให้จิตเรามีความสุขอย่างบริสุทธ แล้วก็จะไม่มีผิดหวังความสงบทําให้เราไม่ผิดหวังความสุขนี่เราไม่ต้องไม่ต้องหวังหรอกเพียงแต่เราทําใจให้ได้รับความสงบเราจะเบากายเบาใจปลอดโปรง่งโล่งสว่างสวยัยตั้งใจทําจากนั้นเราก็ยิ่งเพิ่มพูนปัญญาพิจนารณาโน่นก็รู้ก็เข้าใจพิจารณานี้ก็รู้เข้าเข้าใจ รู้เท่าทันกิเลสในหัวใจรู้เท่าทันความโลภที่มันจะเกิดขึ้นในหัวใจรู้เท่าทันความโกรธที่มันจะพึ่งเกิดขึ้นในหัวใจรู้ทันปัจจัยของความหลงที่มันจะพึงเกิดขึ้นในหัวใจรู้เหตุรู้ปัจจัยข้มันรู้เท่าทันเหตุรู้เท่าทันปัจจัยข้มันรู้ขณะที่มันจะเกิดความโกรธรู้ขณะที่มันจะเกิดความโลภความโกรธขณะที่มันจะเกิดตัณหาราคะ รู้เท่าทันมันเรารู้มันก็สงบระงับเรารู้มันก็สงบระงับเรารู้มันก็สงบระงับนี่แหละผู้รู้นี่แหละที่ที่ท่จะเรียกวิ ช, า ว, ช า, าวิชามอวิชามก็หมดไปในเมื่อวิชาเกิดอวิชามก็หมดไปอวิชฌาแปลว่าความงโง่ความมืดวิชฌาแปลว่าความฉลาดความสว่างความฉลาดใครก็ต้องการจิตสว่าง จิตสะอาดจิตสงบใครก็ต้องการต้องการเฉยๆมันจะเกิดมาได้มันจะเกิดได้ต่อเมื่อเราตั้งใจทำพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าไปนึกไปคิดสิ่งนน้นสิ่งนี้ให้มันผิดหวังนะผิดหวังอย่าไปนึกไปคิดอยู่กับปัจจุบันพุโทโธพุโทโธเนี่ยถ้าไม่อยากผิดหวังผิดหวัง เราตั้งใจทําอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างบา ร, รมีให้กับเราสร้างบุญให้กับเราเป็นกคหลิบคนดีวิเศษวิโสเรียนหนังสือก็เก่งขยันทำมันก็ยิ่งเพิ่มบา ร, รมีทำให้เราฉลาดทาให้หูเราตาเราสว่างเป็นศักด์เป็นศรีเป็นยศ เ, เป็นเกียรตินี่คือ บุญคือคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์เราทําวัดเราสวดมนต์เราลึกถึงบุญถึงคุณของท่านเรานอบน้อมพระรัตนตรยัยนอบน้อมกราประลึกนอบน้อมนวัตสการนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบนั่นระลึกนอบน้อมผู้มีบุญมีคุณตรัสรู้เองโดยชอบเราระลึกตามท่านให้ใจเราสงบใจเราสงบเราจะเริ่มมีความสุขเราจะเริ่มรู้เราจะเริ่มรู้แปลกปราหลัศจิรย์ในหัวใจเราจะเริ่มรู้แหละ มันไม่มืดมันไม่ทึบมืดมืดทึบทึบอันนนก็ไม่ทันอันนี้ก็ไม่ทั น, น, น, ก, ทนกำลังคิดอันนี้อยู่คิดยังไม่จบพานึกคิดเรื่องน้นอีกแล้วนึกอ น, นุนยังไม่จบแก้ปัญหานั้นยังไม่ได้แก้ปัญหานี้แล้วแก้ไปแก้มาดักดานสับสนวุ่นวายก็สับก็ะสรีส ร, รีขวางขวางขวางจิตขวางใจขวางความสุขในหัวใจของเรา เป็นบ้าเป็นประสาทกลายเป็นโรคประสาทน่ยนึกคิดเลอ ะ, ะเลือนเลือนนึกยังไงคิดว่าจ ะ, จะเป็นตัวเป็นตะอันนั้นนึกยังไงก็คิดว่าจะเป็นยังไ น, น, นึกยังไงก็เป็นยังนั้นแบบนี้กิเลสหล อ, อกได้ง่ายมากเกี่ยวหลอกให้ทํำยังไงทําได้หมดเชื่อเชื่อความคิดของตัวเองตามความตามความตามกําลังของกิเลส แต่ถ้าเชื่อความคิดของตัวเองด้วยอำนาจของสมาธิของปัญญาในปัจจุบันอันนี้ใช้ได้เพราะมันมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีไม่มีผลให้เราอยากขณะหนึ่งถ้าเราใช้สติกำหนดจดจอดูอา้าวมันไม่มีอะไรมันหลอกเรากำหนดจดจอดูอา้าวมันไม่มีอะไรมันหลอกเรา แต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันจะประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลมันจะนึกต่อเนื่องกันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราความสุขของร่างกายของเราความทุกข์ของร่างกายของเราเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นจิตของเรามันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคิดเรื่องนี้อ้าเปลี่ยนแปลงไปคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นอ้าเปลี่ยนแปลงไปคิดเรื่องนี้เสร็จแล้วมันเกิดอารมณ์อ้าวคิดไปคิดมาอ้าวเกิดอารมณ์ เกลียดเกิดอารมณ์ชังเกิดความขัดข้องขัดขา่าในหัวใจเกิดตำหนิติเตยนเกิดการไม่พอใจเกิดการน้อยเนื้อต่าใจผิดหวังผิดหวังเราผิดหวังว่าเราจะจะได้รับแต่ความสุขความเจริญมันไม่มีใครหรอกแต่ถ้าหากเราตั้งใจทำอย่างนี้ไม่ว่าใครได้ผลเหมือนกัน ได้รับความสุขได้รับความสงบได้รับความเจริญเหมือนกันตั้งใจเราฝึกหัดฝึกหัดจิตของเราเนี่แหละเริ่มตั้งแต่เราหัดสวดมนต์นี่แหละเราหัดหัดท่องบนหัดสวดมนต์เนี่แหละคือการฝึกใจตัวเองฝึกใจของเราให้นึกคิดอย่างเป็นระเบียบอ่าโดยปกติจิตของเราจะไม่เป็นระเบียบคิดเรื่องนู้นยังไม่จบคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้ยังไม่จบคิดเรื่องน้นคิดแต่เรื่องที่มัน จิตใจมันชอบเคยดเรื่องของคนอื่นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองจะไม่ค่อยคิดคิดเรื่องความดีของคนนั้นคิดเรื่องความชั่วของคนนั้นเรื่องความดีมันไม่ค่อยคำหนึงน่ะคำหนึงถ้าเรื่องความไม่ดีชอบไปรู้เรื่องเลวร้ายของคนอื่นชอบนินทาคนนั้นนินทาคนนี้นึกตําหนิคนนั้นนึกตําหนิคนนี้ตัวเองไม่เคยตําหนิตัวเองไม่เคย ไม่เคยสั่งรดตรวจตราไม่เคยรู้ว่าเราเราดีขนาดไหนเราไม่ดีขนาดไหนนึกต่ำคนอื่นนั่นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นอนั่งปรุงนั่งนึกนั่งคิดเรื่อยเปื่อยเสียเวลาไปเฉยเฉยไม่ได้ประโยชน์เลยให้มันมาอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมัดให้มันอยู่นั่นแหลมันตายอยู่ในนั้นแหละไม่ต้องแก้ให้มันละมัดให้มือในนั่นแหล ะ, ะเลิกยุด ยืนกุพุธโธกุพุธโธไม่ต้องแก้ให้มันเลยมัดอยนนั่นแหละเดินพุทโธพุทโธนั่งพุธโธพุทโธนอนกุพุธโธพุทโธลองลองเอาดูทั้งยืนทั้งโดนเดินทั้งนั่งทั้งนอนไปหยิบนู้นไปยกนี่ไปเก็บนู้นไปเก็บนี่ไปทําข้อวัดนั่นทําข้อวะนี้อทําเสร็จก็พุทโธพุทโธพุทโธในขณะที่ทําก็พุทโธพุทโธพุธโธมือตีนก็ทําไป ใจเขาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธแปลว่าผู้ฉลาดผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้พร้อมที่จะอิ่มด้วยความสุขด้วยความสงบนี่ให้ทั้งอกทั้งใจ วันนี้เอาแค่ น, นี้แหละ